บทที่ยี่สิบแปดความซาบซึ้งดื่มดำในรถพระธรรมที่สมพาน์วัดป่ามะม่วงได้อัญเชิญมาเป็นเครื่องปลอบประโลมใจทำให้คณะผู้สแสวงบุญทั้งบรรพชิตและข้ารืหัด ส, สามารถมองเห็นความจริงของชีวิตจึงทำใจได้กับกลิ่นอันไม่น่าพึงปรารถนานั้น แม่ชีปวนซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องเกิดความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านพระครูเพราะตั้งแต่มาจาริกบุญในแดนพุทธภูมินี้ยังไม่เคยมีพระรูปใดพูดให้สบายใจและซาบซึ้งในคาที่ทรงสอนของพระบรมศาสดาได้เหมือนหลวงพ่อองค์นี้แม่ชีรู้สึกเหมือนมีบุญมหาศาลเพราะนอกจากจะมีโอกาสมาอินเดียแล้ว ยังได้มาพบพระพิสุที่เพียพร้อมด้วยสีลาที่คุณที่หาได้ยากในยุคปัจจุบันหลวงพ่อฉันขอขอบพระคุณที่เมตตาฉันฉันรู้สึกสบายใจสบายกายอย่างที่ไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนแม่ชีไหว้ท่านพระครูด้วยรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณจากนั้นจึงหันไปอวยพรให้พรผู้นำทัว ขอให้เจเริญเจเริญเถอะหน้าแม่คุณที่อนุญาตให้ชันมาด้วยทัวในไหนเขาก็พากันรังเกยียจคนแก่อย่างชันเพ่งจะมีทัวนี่แหละที่เมตตาให้ชันมาด้วยไม่เป็นไรหรอกค่ะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปแล้วแม่ชีไปครบสี่แห่งหรือยังผู้นำทัวถามยังเลยจ้ะ ก็อย่างที่บอกแล้วว่าไม่มีทัวไหนเขาเมตตาเช่นเหมือนทัวนี้อันที่จริงแม่ชีปวนขอมาแค่วัดไทยนารันธาเท่านั้นแต่เมื่อเห็นว่าคณะผู้สแสวงบุญที่มากับทัวนี้เป็นคนมีเมตตาจึงอยากขอร่วมเดินทางไปนมัสการสังเวชนิยสถานให้ครบสี่แห่งหากก็ไม่กล้าเ่ยปากแล้วอยากจะไปกับพวกเราไหมละ่ะ ยมผ่องสายใจบุญถามหากแม่ชีอยากไปก็จะออกค่าใช้จ่ายให้ทำบุญกับพระยังทำได้ทำไมจะทำบุญกับชีบ้างไม่ได้ฉันไม่มีเงินหรอกจ้ะแม่ชีตอบน่าสงสารไม่มีเงินแล้วมาได้อย่างไรล่ะฉันหมายถึงมาจากประเทศไทยนะ่ะแม่ชีคงไม่บอกว่าเดินมาหรอกนะ ฉันมาเครื่องบินจ้ะลูกสาวเขาให้เงินมาแต่ว่าตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วที่ว่าไม่มีเงินฉันหมายถึงว่าไม่มีเงินจ่ายค่าทัวร์น่ะโยมผ่องใสจึงสรุปว่าไม่เป็นไรถ้าแม่ชีอยากไปฉันจะจ่ายให้เองอยากไปไหมล่ะอยากจ้ะขอบคุณเลือกเกินสาธุ ขอให้เจริญเจริญเถอะนะแม่ชียกมือขึ้นสาธุแล้วแม่ชีจะกลับพุทธคยาอย่างไรล่ะเพราะเราไม่ได้ย้อนกลับไปพุทธคยาอีกนะจะบินกลับทางบอมเบผู้นำทัวบอกกล่าวไม่เป็นไรจักทิ้งฉันไว้ที่วัดไทยสาวัดทีก็ได้ฉันรู้จักหลวงพ่อฤาษีดี ถ้ามีพระมาจากพุทธคยาฉันก็จะขอกลับมากับท่านเป็นอันว่าแม่ชีปวนได้รับอนุญาตให้เดินทางร่วมกับคณะผู้สแสวงบุญโดยโยมผ่องใสจะออกค่าใช้จ่ายให้เมื่อรถวิ่งเข้าเขตนรรครราชครมักคุเทศจึงเริ่มบรรยายพระคุณเจ้าและญาติโยมทั้งหลายบัดนี้เราเข้าเขตนรครราชครแล้ว ในครั้งพุทธกาลนรรครราชกฤเป็นเมืองหลวงของแว่นมคตเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองพระเจ้าพิมพิาสารทรงเป็นพระราชาพระองค์แรกที่หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเมืองนี้มีภูเขาเยอะจังแม่ชีป่วนพูดขึ้นพระมกุเทศจึงอธิบายขยายความว่า นครราชครเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาห้าลูกจึงได้รับสมยาว่าเป็นจักคิรีนครแปลว่านครที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งห้าซึ่งได้แก่ปันทวบันพศคิจกูบรบันพศเวพาระบันพศอิสิคิรีบันพศและเวปุรบันพศ คำว่าบันพศแปลว่าภูเขามีใครตอบได้บ้างว่าในบรรดาภูเขาทั้งห้าลูกนี้ลูกไหนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่มีผู้ใดตอบท่านจึงถามท่านพระครูคิจกูรเวพาระและเวปุละคิจกูรเกี่ยวข้อง ในแง่ที่เป็นที่ตั้งของพระคันทกุดีซึ่งอยู่บนยอดเขาลดหลั่นลงมาก็จะเป็นถ้ำสุกระขาตาที่ที่พระสารีบุตรเทระบรรลุอรหัตผลเพราะว่าฟังพระธรรมเทศนาชื่อเวทนาปริคหาสูตรซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ปริพาชคที่ชื่อทีขะนักกะ อคิเวสณะโคตผู้เป็นหลานของท่านท่านกำลังถวายงานพัดแด่พระพุทธองค์อยู่แล้วก็ได้ฟังอย่างตั้งใจพร้อมกับกำหนดจิตพิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนานั้นจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหันต์ส่วนหลานชายของท่านได้ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลได้ยินคำว่าโซดาปฏิผล โยมเสงรู้สึกเย็นวาบซาบซ่านทั่วสารพางกายโดยไม่รู้สาเหตุบุรุษผู้นี้ไม่เคยเรียนปริยัตทั้งที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือปีติอันมีชื่อว่าพารณาปีตินอกจากท่านพระครูไม่มีผู้ใดรู้ว่าโยมเสงจจะมาได้ของดีที่แดนพุทธภูมิ ในการมาครั้งแรกนี้เขาจะเวียนไหวยวกวนเพราะความหลงในสงสารอีกไม่เกินเจ็ดชาติส่วนภูเขาเวภาระมีความสำคัญหลังจากที่พระปรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วสามเดือน คือเป็นที่ที่พระอรหันต์หารอองค์มาประชุมกันทำปฐมสังคยนาณธรรมสัตบัรคูหาโดยมีพระมหากะสะเถระเป็นประธานพระ อ, อนนทเทเถระผู้ซึ่งเพิ่งบรรลุอารหัตผลและได้ดำดินมาปรากฏในที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่วิสัชนาพระสูตร ขณะที่พระอุบารีเถระเป็นผู้วิสัชนาพระวินยัยแล้วพระโมกคลาพระสารีบุตรไม่ได้เข้าประชุมด้วยหรือคะหลวงพอ่อแม่ชีปวนถามถ้าท่านยังอยู่ก็คงจะมาแต่บังเอิญท่านทั้งสองปรินิพานไปเสีย ก, ก่อนปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าไม่นานนักเลยไม่ได้มาท่านพระครูตอบ พอดีกับรถแล่นผ่านตโปทารามซึ่งเป็นบ่อน้าร้อนธรรมชาติมีผู้คนกำลังอาบน้ำกันอยู่พระรสสุคนจึงถามขึ้นว่านั่นเขากำลังอาบน้ำตกกันเหรอครับพระเจริญจึงขอไมโครโฟนจากท่านพระครูและอธิบายว่าที่ท่านเห็นนั้นเขาเรียกว่าตโปทารามก็เป็นที่อาบน้ำของคนวันณะต่างๆ เขาเชื่อกันว่าน้าที่ตาโปทารามเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์จึงได้พากันมาอาบลองสังเกตดูจะเห็นการแบ่งชั้นวันณะของคนอินเดียแม้ในเรื่องการอาบน้ำอย่างพวกที่อาบตรงชั้นบนสุดนั้นก็คือพวกพราหม์พวกวันนากริย์อามต่อจากวันณะพราหม์ถัดลงมาก็เป็นวันณะแพทย์ส่วนวันนาสุดอาบส่วนล่างสุด ซึ่งน้ำที่อาบก็ไหลามาจากข้างบนและผ่านการอาบของคนวัณ น, นะพรามกษริย์แพทย์มาแล้วสรุปคือวันณะพรามได้อาบน้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาติเพราะยังไม่ได้ผ่านการอาบของคนวันนะอื่นแสดงว่าวันนะกริย์ก็ต้องอาบน้ำที่วันนะพรามอาบแล้วใช่ไหมครับพระรสุขคนถามอีกถูกแล้ว พระศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าวันณะพราหมณ์เป็นวันณะที่สูงสุดในคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์จึงเรียกวันณนะจากสูงไปหาวันณะต่ําเป็นพราหมณ์กษัตริย์แพทย์สูตรส่วนในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคือกษัตริย์สูงกว่าพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์ยังต้องให้กษัตริย์เลี้ยง แต่ความจริงแล้วมีลึกซึ้งมากกว่านั้นคือพระพุทธศาสนาไม่ถืออวันณนะเป็นเครื่องแบ่งความดีความชั่วคนจะดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่วันนะแต่ก็อยู่ที่กรรมหรือว่าการกระทำถ้าทาชั่วก็เรียกว่าคนชั่วแม้จะอยู่ในวันนะพรามก็ถือว่าเป็นคนชั่วและถ้าประสงค์ในพระพุทธศาสนาจะมาอาบน้าที่ตโปธารามบ้าง จะอาบตรงไหนคะเพราะไม่มีวันณะสังกัดนางสาวสายใหญ่รักถามสมัยพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสา ร, รทรงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้วประชาชนก็พากันนับถือพระพุทธศาสนาตามการถือเรื่องวันนะลดลงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้รับการเคารพนับถือมากเพราะฉะนั้น ถ้าพระสงฆ์ท่านจะสงน้าที่ตโปธารามประชาชนก็จะรอให้ท่านสงเสร็จเสียก่อนแล้วจึงจะลงไปอาบแม้แต่พระเจ้าพิมพิสานเองก็ยังต้องทรงรอเช่นครั้งหนึง่งพระองค์เสด็จมาสงน้ำที่ตโปธารามครั้นเห็นว่ามีพระภิกษุสง์สงน้ำกันอยู่ก็สงรอจนท่านสงเสร็จจึงลงไปสงบ้าง ทรงเสร็จปรากฏว่าประตูเมืองปิดแล้วเข้าเมืองไม่ได้จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอพระพุทธานุญาตพักด้วยหนึ่งราตรีพระพุทธองค์ก็ทรงสอบถามถึงสาเหตุที่ทําให้พระองค์เสด็จเข้าเมืองไม่ทันเมื่อพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลให้ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทว่าให้พระภิกษุสงสงน้ํา สิบห้าวันต่อหนึ่งครั้งแบบนี้ไม่ร้อนแย่รู้จ้าข้าท่านแม่ชีป่วนถามพระมกุเทศตอบว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาที่มีสายพระเนตรยาวไกลมีพระทัยสุ ข, ขุมคัมภีรภาพทรงห้ามพระสาวกมีให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนไม่หวากรณีใดๆ จึงทรงบัญญัติเช่นนั้นต่อมาเมื่อมีภิกษุมากราบทูลว่าการสงน้ำส15้าวันครั้งทำให้ลำบากก็ทรงให้ถอนสิกขาบทนั้นได้เรื่องนี้ว่าสมัยหนึ่งพระองค์ประทับที่เมืองโกสัมพีภิกษุกลุ่มหนึ่งได้รับทูลเรื่องนี้ ทรงมีพระพุทธานุญาตให้ถอนสิกขาบทนิเสียแล้วก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุทรงน้ำทุกวันได้เหมือนเดิมใช่เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระปริชาญาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมและทรงรักษาชื่อเสียงของพระสาวกมีให้ประชาชนติชินนิมทาสิกขาบท227ข้อที่ทรงบัญญัติขึ้น ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการประพฤติปฏิบัติของพระสาวกหลวงพ่อครับและภูเขาอีกลูกหนึ่งที่หลวงพ่อเอ่ยมาสำคัญอย่างไรครับเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่ามีภูเขาสามลูกที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเพิ่งบอกมาสองลูกคือคิชกูฎกับเวภาระอีกลูกหนึ่งยังไม่ได้บอกพระคุณทศถามท่านพระครู พระเจริญจึงส่งไมโครโฟนให้พระครูเจริญลูกที่ว่านี้ชื่ออะไรท่านจําได้ไหมท่านพระครูถามจําไม่ได้แล้วครับเพราะความจําผมไม่ค่อยดีเท่าที่ควรพระขุณทดตอบชื่อเวปุลกษค่ะสตรีที่จ้างสามีตอบเพราะความจําดีกว่าพระขุณทด ท่านพระครูจึงอธิบายว่าภูเขาวเวปุลละหรือว่าเวปุลละบันพศเป็นที่อยู่ของกลุมพีระยักษ์ผู้รักษานครราชครึแล้วเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรครับพระคุณทศถามอีกเพราะคำตอบของท่านพระครูดูจะยังไม่ตรงกับคำถามเกี่ยวข้องตรงที่ ผมรู้ว่าภูขาวเวปุลละเป็นที่อยู่ของกลุมพีระยักษ์ผู้รักษาเมืองราชครื้เพราะว่าผมอ่านพระไตรปิฎกเรื่องนี้อยู่ในมหาสมยสูตรทีคานิกายมหาวคพระไตรปิฎกเล่มที่ส0ข้อที่334หน้าที่263แบบนี้ท่านคิดว่าเกี่ยวหรือไม่ ท่านย้อนถามพระกุนทศเกี่ยวครับเกี่ยวโดยตรงเลยเพราะพระไตรปิฎกเป็นคำพีสำคัญของพระพุทธศาสนาเราจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติหรือข้อธรรมต่างๆก็จากพระไตรปิฎกถ้าไม่มีพระไตรปิฎกเราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้แล้วท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกบ้างหรือยังยังครับทาไมถึงยังไม่ได้อ่าน ที่วัดท่านไม่มีญาติโยมถวายหรือมีครับแต่สมภารท่านเก็บไว้ในตู้ใส่กุญแจด้วยผมก็เลยไม่กล้าไปขอกุญแจจากท่านแล้วท่านเคยเห็นสมภารอ่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยเห็นเลยครับผมค่อนข้างแน่ใจว่าท่านไม่ได้อ่านเพราะตู้พระไตรปิฎกตั้งอยู่ในโบสถ์ซึ่งห่างจากกุฏิของท่านท่านไม่อ่านไม่เป็นไร แต่อย่าเอาไปขายก็แล้วกันพระคุณทดเผลอพูดเรื่องที่เป็นความลับท่านกำลังจะเอาความลับของสมภารมาเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจหมายความว่าอย่างไรไม่มีอะไรหรอกครับหลวงพ่ออย่าสนใจเลยท่านรีบพูดกลบเกลื่อนจะต้องมีสิท่านบอกผมมาเถอยิ่งปิดผมยิ่งอยากรู้ ไม่ใช่เพราะผมอยากรู้เรื่องของคนอื่นแต่ผมอยากรู้ขอวัดปฏิบัติผู้ตีเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาใครประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตรงตามพระวินัยบัญญัติผมจะได้ขอร้องให้เลิกเสีย้ยเพื่อเห็นแก่พระศาสนาท่านบอกผมมาเถอะครับแล้วหลวงพ่อต้องเก็บเป็นความลับนะครับไม่เช่นั้น ผมถูกสมภารเล่นงานแน่นอนข้อนั้นท่านไม่ต้องกังวลผมจะไม่ทําให้ท่านต้องเดือดร้อนท่านพระครูรับคําหนักแน่นเหตุนี้พระกุณทดจึงเล่าเรื่องของสมภารวัดท่านว่าสมภารท่านชอบเล่นหวยมากครับซื้อทั้งหวยรัฐบาลหวยใต้ดินเงินทองที่ญาติโยมนำมาทำบุญท่านก็เอาไปเล่นหวยหมด บางเดือนแทบไม่มีเสียค่าไฟฟ้าพอเงินหมดท่านก็จะแอบเอาของที่วัดออกขายมีคนมาซื้อถึงวัดจนผมกลัวว่าวันหนึ่งท่านจะยกเอาพระไตรปิฎกไปขายอย่างนี้ก็แย่นะสิผมว่าบาปทั้งพระทั้งโยมเลยทำไมเขาทำได้ไม่เห็นแก่พระศาสนาเลยแล้วพวกชาวบ้านเขาจะรู้หรือเปล่า ชาวบ้านก็บ้าหวยกันเลยและครับพอใกล้วันหวยออกก็จะพากันมาขอเลขจากสมพารเสร็จแล้วก็ถูกกินไปตามๆกันที่สำคัญก็คือนำเงินกระถินผ้าป่าไปเล่นหวยหมดเงินเป็นแสนแสนเลยนะครับหลวงพ่อทำไมเหม่รายงานให้เจ้าคณะตาบลทราบเจ้าคณะตบาบลท่านทราบดีครับเพราะท่านสม่านเป็นคณะตาบลเอง ถ่ายอย่างนั้นก่อรายงานเจ้าคณะอาเภอผมไม่กล้าหรอกครับเพราะท่านเป็นเพื่อนกันแล้วเจ้าคณะอาเภอเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบครับพระคุณเจ้าและญาติโยมว่าอย่างไรเล่นหวยผิดไหมหลวงพ่อว่าผิดไหมครับท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองผมเคยนั่งรถไฟผ่านถนนราชดำเนิน มีพระเดินซื้อลอตเตอรี่กันให้ควักไควไปหมดเห็นแล้วไม่สบายใจเลยขนาดพระด้วยกันเห็นยังไม่สบายใจแล้วญาติโยมเขาเห็นจะสบายใจหรือโยมผ่องสายว่ายังไงท่านถามโยมผ่องสายใจบุญโยมคงไม่ว่าอย่างไรหรอกค่ะ ว่าหนะไม่ว่าแต่ใจนั้นคิดว่าแบบนี้ไม่น่าเคารพนับถือการเล่นหวยถือเป็นการพนันและการพนันก็เป็นอบายมุกพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและก็ต้องทำหน้าที่ซ้อนญาตโยไม่เข้าละอบายมุกโยมว่าพระที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ผมว่าพระเล่นหวยผิดครับ คือผิดต่อสมณสารูปพระที่เล่นหวยแสดงว่าขาดสมณสัญญาบุรุษที่แอบพึงใจนางสาวสายยายรักตอบหลังจากรับประทานอาหารเช้าเขาก็นั่งหลับตามาตลอดทางนั่งหลับตัวโอนเอ็งไปมาตามแรงกระแทกกระเทือนของรถเพิ่งจะมาตื่นตอนที่ได้ยินเรื่องพระเล่นหวยจึงได้ถือโอกาสแสดงความคิดเห็น สมณะสารูปสมณะสัญญาหรือสมณะอะไรนะจ๊ะหลวงพ่อแม่ชีปวนถามท่านพระครูท่านพระครูจึงถามบุรุษนั้นด้วยคำถามเดียวกันผมไม่ทราบครับแต่ผมเข้าใจผมขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายด้วยครับสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่า สมณะสรูปก็คือความประพฤติอันสมควรของสมณะส่วนสมณะสัญญาก็คือความสำนึกในความเป็นสมณะและก็ยังมีอีกคำหนึ่งคือสมณวิสัยหมายถึงลักษณะที่เป็นอยู่ของสมณะท่านตอบเกินคำถามขณะนั้นเป็นเวลา11นาฬิกาพระมกุเทศจึงขอใหม่จากท่านพระครู แล้วประกาศว่าเราจะไปชั้นเพนและรับประทานอาหารกันที่วัดญี่ปุน่นจากนั้นก็จะนำขึ้นเขาคิชกูดไปนมัส ก, การพระคันธกุดีลงจากเขาคิชกูดก็จะพาชมป่าไผ่อันรื่นรมซึ่งในครั้งสุดท้ายพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือเวรุวนณาราม ท่านจะได้สวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อได้เวลาอันสมควรจึงนำท่านเดินทางต่อไปอยังเมืองนารันทาซึ่งในครั้งพุทธกาลเคยเป็นหมู่บ้านชื่อนารันทาทกกคามเป็นถิ่นกำเนิดของพุทธะอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะหลังจากฉันเพนและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว คณะผู้แสวงบุญจึงพากันขึ้นรถอีกครั้งเพื่อไปนมัสการพระคันธกุดีซึ่งอยู่บนภูเขาคิชกูดคนขับรถนํามาจอดที่เชิงเขาคณะผู้แสวงบุญลงจากรถแล้วคนขับจึงนํารถออกไปหาที่จอดกระเป๋าสองคนลงมาคอยดูแลช่วยเหลือเป็นต้นว่าช่วยไล่พวกขอทานที่มาพากันรุมล้อม คณะผู้สแสวงบุญทางขึ้นเขาคิดจกูดไม่ลาดชันนักผู้คนสูงอายุที่ร่างกายยังแข็งแรงก็สามารถเดินขึ้นได้โดยไม่ต้องจ้างคนหามซึ่งราคาค่าจ้างค่อนข้างสูงเพราะต้องใช้คนถึงสองคนคณะผู้สแสวงบุญกำลังจะขึ้นเขาก็พบกับคณะผู้สแสวงบุญที่กำลังเดินทางลงมาจากภูเขาเสียงพูดคุยกัน ทำให้รู้ว่าเป็นคนไทยหากเห็นเพียงหน้าตาไม่ได้ยินเสียงพูดอาจจะเห็นเป็นคนเนปาลหรือว่ามาจากแคว้นอัสซัมเพราะหน้าตาการแต่งกายเหมือนคนไทยมากจนดูไม่ออกต้องอาศัยฟังจากภาษาจึงจะรู้แม่ชีปวนเข้าไปทักแม่ชีสูงอายุรูปหนึ่งพร้อมกับถามว่าตอนขึ้นตองจายเข้าหามหรือเปล่าจ๊ะ จ้างจ่ะเขาคิดตั้งสามร้อยรูปีแต่พอหามไปถึงครึ่งทางฉันก็ลงเดินเองเพราะทนเหม็นกลิ่นแขกไม่ไหวแม่ชีสูงอายุบอกกล่าวแม่ชีขึ้นไม่ไววหรือจะจ้างแขกหามไหมฉันจะออกเงินให้โยมผ่องใสแสดงความเอื้อเฟื้อไว้จ่ะขอบคุณ เท่าที่ออกเงินให้ชั้นร่วมคณะมาด้วยก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วชั้นแม่รบกวนหรอกจาะเด็กหนุ่มสองสามคนถือไม้เท้ามาเรข่ขายเป็นไม้ที่ตัดมาจากต้นไผ่ความยาวประมาณเมตรครึ่งโยมผ่องใสจึงซื้อมาสองอันอัลละสิบรูปีถือไว้ในมืออันหนึง่งอีกอันหนึ่งส่งให้แม่ชี ป, ปวนแล้วก็พูดว่า ใช้ไม้เท้าช่วยคงจะดีกว่าเดินตัวเปล่านะขอบคุณจ้ะขอให้ร่ำรวยนะคุณนะแม่ชีปวนให้พรการเห็นภรยาอนุเคราะห์แม่ชีโยมเสงจึงกราบเรียนท่านพระครูและหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่าขออนุญาตซื้อไม้เท้าถวายไม่ต้องโยมไม่ต้องอาตมายังแข็งแรง ถวายหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็แล้วกันท่านพระครูบอกโยมเสีงผมก็ยังแข็งแรงเหมือนท่านพระครูนั่นแหละหลวงพ่อวัดดอนเมืองปฏิเสธเช่นกันอุบาสิกาสองคนเข้ามากราบท่านพระครูและบอกว่าเคยไปเข้ากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงหลายครั้งโยมมาจากไหนกันละ่ะท่านถามคนอ่อนวัยกว่าตอบว่า มาจากวัดไทยนารันทาค่ะกําลังจะไปวัดไทยพุทธคยาแล้วหลวงพ่อมาจากไหนคะอุบาสิกาอีกคนหนึ่งถามอาตมามาจากวัดไทยพุทธคยากําลังจะไปวัดไทยนารันทาท่านพระครูตอบ